วิปัสนูปกิเลสิบในระยะนั้นด้วยตรรุณวิปัสสนานีะ้วิปัสสนานี้วิปูปกิเลสิบประการคือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนามนหมองก็เกิดขึ้นแกโยคีนั้นผู้เริ่มต้นบำเพ็ญวิปัสสนาความจริงวิปัสณูปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยส า, าวกผู้บรรลุปฏิเวทแล้ว ผู้ปฏิบัติผิดเริ่มต้นมาแต่ศีลวิบัติผู้ละทิ้งกรรมฐานละบุคคลเกียรครานแม้ปฏิบัติถูกต้องมาแต่เริ่มต้นแต่จะเกิดขึ้นแกกุลบุตรผู้ปฏิบัติโดยชอบประกอบความเพียรแล้วประกอบเล่าผู้เริ่มต้นบำเพ็ญวิปัสสนาแล้วเท่านั้นแต่ว่าอุปกิเลสิบเหล่านั้นคืออะไรบ้าง คือหนึ่งโอภาษแสงสว่างสองยานความรู้สามปีติความเอิบอิม่มสี่ปสัสสธิความสงบห้าสุขคือความสุขหกอธิมโมก ค, ความเชื่อศรัทธาเจ็ดปัคาหะ ความเพียรคือวิริยะ 8. ปอุปทานความเข้าไปตั้งอยู่คือสติก้าอุเบกขาความวางเฉยและสิบนิกันติความใครความจริงท่านพระธรรมเสนาสารีบุตรเทระ ก็ได้กล่าวคำนี้ไว้แล้วว่าใจที่ถูกความฟุ้งซ่านในธรรมคืออุปกิเล์ครอบงำเป็นอย่างไรพระภิกษุเมื่อกระทาในใจอยู่โดยความไม่เที่ยงโอภาษาก็เกิดขึ้นพระภิกษุนั้นรำพึงถึงโอภาษอยู่ว่าโอภาสเป็นธรรมะธรรมะที่กล่าวถึงนี้หมายถึงทั้งอุปกเลสและอริยมรรค ความฟุ้งซ่านพระโอพาสเป็นเหตุนั้นเป็นอุทธจักพระภิกษุผู้มีใจอันอุทธจันั้นครอบงำแล้วไม่กำหนดรู้ความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามเป็นจริงไม่กำหนดรู้ความปรากฏโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาตามเป็นจริงอันหนึง่งเมื่อภิกษุนั้นกระทําในใจอยู่โดยความไม่เที่ยงญาณก็เกิดขึ้น ปีติปัสสธิสุขอธิโมกปั ค, คาหะอุปัฏฐานะอุเบกขานิการติก็เกิดขึ้นพระภิกษุนั้นรำพึงถึงนิกันติอยู่ว่านิกันติเป็นธรรมะความฟุ้งซ่านเพราะนิกันติเป็นเหตุนั้นเป็นอุทธจักพระภิกษุผู้มีใจอันอุทธจักนั้นครอบงำแล้ว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 ได้แก่วิปสัสโนภาตคือแสงสว่างในวิปัสนาเมื่อวิปสัสโนภาตนั้นเกิดขึ้นโยคาว จ, จรก็คิดว่าแสงสว่างเห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ฉันในการก่อนแต่นี้เลยหนาฉันเป็นผู้บรรลุมรักแล้วฉันเป็นผู้บรรลุผลแล้วเป็นแน่ดังนี้แล้วถือเอาสิ่งไม่ใช่มรักนั่นแหละว่ามรัก และถือเอาสิ่งไม่ใช่ผลนั่นแลว่าผลเมื่อโยคาวจรนั้นถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มัคว่าเป็นมัคสิ่งที่ไม่ใช่ผลว่าผลวิถีของวิปัสสนาก็ชื่อว่าก้าวออกไปนอกทางโยคาวจรนั้นก็ละทิ้งมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเดิมของตนแล้นั่งชื่นชมโอภาสอยู่นั่นแหล มูลกรรมฐานหมายถึงอารมณ์กรรมฐานที่โยคาวจรกาหนดมาแต่เดิมเช่นกาหนดพองหนอยุบหนอมาแต่แรกพอเกิดโอภาษขึ้นก็หยุดกาหนดพองหนอยุบหนอซึ่งเป็นมูลกรรมฐานเสียแล้วนั่งชมโอภาษทนั้นเพลินไปอันหนึ่งสำหรับพระภิกษุบางท่าน อภาษณนี้นั้นเกิดขึ้นส่องสว่างเพียงฐานบันลังเท่านั้นสำหรับบางท่านส่องสว่างตลอดภายในห้องสำหรับบางท่านส่องสว่างภายนอกห้องด้วยสำหรับบางท่านส่องสว่างไปทั่ววิหารทั้งสิ้นสำหรับบางท่านส่องสว่างไปตลอดคาวุธตลอดครึ่งโยตตลอดหนึ่งโยตตลอดสองโยต ตลอดสามโยตเป็นต้นสำหรับบางท่านโอภาษนั้นทำให้สว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่พื้นปฐพีขึ้นไปถึงพรหมโลกแต่ของพระผู้มีพระพาศเกิดขึ้นสองสว่างไปตลอดหมื่นโล ก, กธาตุในการประมาณแตกต่างกันของโอภาษนั้นโดยประการดังกล่าวนี้มีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ดังนี้ เล่ากันว่าพระเทรร ส, สองท่านนั่งอยู่ภายในเรือนมีฝาสองด้านนาจิตตละบันพศแล้ววันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรามทั่วทิศปกคลุมไปด้วยแผ่นเมฆความมืดประกอบด้วยองค์สีเป็นไปอยู่ในภาคราตรีการในคืนนั้นพระเทระท่านหนึ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดอกไม้ห้าสีปรากฏแกกระผม อยู่บนสีหาสนะในลานพระเจดีย์ในบัดนี้อีกท่านกล่าวกับพระเทระนั้นว่าอาวุโสท่านพูดถึงสิ่งไม่น่าอัศจรรย์ก็บัดนี้เต่าและปลาทั้งหลายในสถานที่หนึ่งยอในมหาสมุทรปรากฏอยู่แก่ผมแต่วิปัสณูปากิเลสนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ได้สมถะวิปัสนาโดยมาก เพราะกิเลสทั้งหลายที่ข่มไว้ด้วยสมาบัติไม่กำเริบท่านผู้ได้สมถวิปัสสนานั้นจึงเกิดความคิดว่าฉันเป็นพระอาหารหันต์เหมือนท่านพระมหานาคาเทระผู้อยู่ในอุจจังกวาลิกะเหมือนท่านพระมหาทัตตะเทระผู้อยู่ในหังกน ก, กะและเหมือนท่านพระจุลสุมาณเทระผู้อยู่ในนิงกเป็นน ก, กะประทานนคระ บนภูเขาจิตละบรรดาพระเทระสามท่านนั้นมีการแสดงด้วยเรื่องของพระเทระท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เรื่องท่านพระมหานาคาเทระผู้อยู่ในอุจจังกวาลิกะเล่ากันว่าพระเทระท่านหนึ่งมีนามว่าท่านพระธรรมทินะเทระ ผู้อยู่ในตลังคาระเป็นพระมหาขีณาศพผู้มีปฏิสัมพิทาแตกฉานเป็นผู้ให้โอวาดแก่พระภิกษุหมูใหญ่วันหนึ่งท่านนั่งอยู่บนอาสนะสําหรับพักกลางวันของตนแล้วรำพึงอยู่ว่าพระอาจารย์ของเราคือท่านพระมหานาคาเทระผู้อยู่ในอุจจังกวาลิกะถึงที่สุดกิจของความเป็นสมณะแล้วหรือไม่หนอก็หรือว่า ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองและรู้ว่าเมื่อเราไม่ไปท่านก็จะทากาลากิริยาของปุถุชนเป็นแท้จึงเหาะขึ้นสู่เวหาด้วยริดไปลงณที่ใกล้พระเทระซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะสำหรับพักกลางวันไหวแสดงวัดแล้วนั่งอยู่ณด้านหนึ่งเมื่อพระเทระผู้เป็นพระอาจารย์พูดขึ้นว่า อาวุโสธรรมทินนะเหตุไรจึงมาผิดเวลาท่านจึงกราบเรียนว่ากระผมมาเพื่อถามปัญหาขอรับครั้นแล้วเมื่อพระเทระกล่าวอนุ ญ, ญาตว่าถามเถิดอวุโสเมื่อรู้ก็จักบอกท่านพระธรรมทิ น, นะเทระจึงเรียนถามปัญหาหนึ่งพันปัญหาพระเทระก็กล่าวแก้ปัญหาที่ถามมาถามมาได้ไม่ติดขัดเลย จากนั้นเมื่อท่านพระธรรมทินนาเทระเรียนถามว่าความรู้ของท่านอาจารย์แก่กล้ามากท่านอาจารย์ได้บรรลุธรรมนี้แต่เมื่อไหร่พระเถระก็กล่าวว่าในการแต่บัด น, นี้ไปหกสิปีอาวุโสจึงกราบเรียนว่าโปรดใช้สมาธิเถอดขอรับพระเถระบอกว่าเรื่องนี้ไม่หนักหนาอะไรอาวุโส ท่านพระธรรมทินเถระกราบเรียนว่าถ้ากรณนั้นนิมนต์นินริมิช้างขึ้นซักเชือกเถิดขอรับพระเถระก็นิริมิช้างเผือกตลอดทั้งตัวขึ้นท่านพระธรรมทินเถระจึงกราบเรียนว่าท่านขอรับคราวนี้โปรดทำให้ช้างตัวนี้นั้นกางหูเหยียดหางเอางวงใส่ไว้ในปากทำเสียงโกรธจันาอย่างน่ากลัว อันนาเดินตรงมาทางท่านอาจารย์พระเถระก็ทาอย่างนั้นครันเห็นอาการอันน่ากลัวของช้างซึ่งเดินมาโดยเร็วก็ลุกขึ้นเริ่มจะหนีไปพระเถระผู้ขี่นาศพจึงยื่นมือเป็นเหนียวชายจีวรไว้แล้วกราบเรียนท่านอาจารย์นั้นว่าท่านขอรับชื่อว่าความหวาดกลัวยังมีอยู่แก่พระขี่นาศพหรือ พระเทระนั้นจึงรู้ในเวลานั้นว่าตนยังเป็นปุถุชนและพูดว่าอาวุโสธรรมธินะโปรดเป็นที่พึ่งของฉันด้วยนั่งกระโยงในักไล้เท้าท่านพระธรรมธินะเทระจึงกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมก็มาด้วยตั้งใจจะเป็นที่พึ่งของท่านอาจารย์อยู่แล้วโปรดอย่าคิดมากไปเลย แล้วก็บอกกรรมฐานแก่พระเทระผู้เป็นอาจารย์พระเทระรับกรรมฐานแล้วก็ขึ้นสู่ที่จงกรมในวาระย่างเท้าก้าที่สามท่านก็บรรลุพระอรหัตผลซึ่งเป็นผลชั้นยอดเขาว่าพระเทระเป็นคนโทสะเจริตพระภิกษุทั้งหลายเห็นปานดังพระเทระนี้มัวเคลิบเคลิมอยู่ในโอภาษไปเสีย วิปัสณูปกิเลสข้อที่สองยานคำว่ายานหมายถึงวิปัสนาญาณทราบว่าเมื่อโยคีนั้นกำลังเทียบเคียงไตรตรองรูปธรรมและอรูปธรรมคือรูปและนามทั้งหลายอยู่ยานซึ่งมีกระแสปราดเปรียวแหลมคมแก่กล้าชัดแจ้งก็เกิดขึ้น ประดุดดังวชิระของพระอินทร์ที่สรงสั์ออกไปวิปัสสุปกิเลสข้อที่สมปีติคำว่าปีติหมายถึงปีติประกอบด้วยวิปัสนาทราบว่าในระยะนั้นปีติห้าอย่างนี้คือกุตตกาปีติความเอิบอิ่มเล็กน้อย าณิกาปีติความเอิบอิ่มเพิ่มพูนทุกขณะอกกัตติกาปีติความเอิบอิ่มซาเซนอุเพงคาปีติความเอิบอิ่มโลดแล่นและภารณาปีติความเอิบอิ่มซาบซ่านเกิดขึ้นเต็มสรีระกายทั้งสิน้น วิปัสณูปกิเลสข้อที่สี่ปัสสธิคำว่าปัสสติหมายถึงปัสสติในวิปัสสนาทราบว่าเมื่อโยคีนั่งอยู่ในที่พักกลางคืนก็ดีในที่พักกลางวันก็ดีในสมัยนั้นทั้งกายและจิตไม่มีความกระวนกระวายหนึ่งไม่มีความหนักหนึ่งไม่มีความกระด้างหนึ่ง ไม่มีความไม่ควรแก่การงานในการปฏิบัติหนึ่งไม่มีความเจ็บไข้หนึ่งไม่มีความคดโกงหนึ่งแต่เทาว่าในสมัยนั้นแหลกายและจิตของโยคีนั้นสงบหนึ่งเบาหนึ่งอ่อนหนึ่งควรแก่การงานหนึ่งผ่องใสหนึ่งและเที่ยงตรงหนึ่งเป็นแท้เลยโยคีนั้น เป็นผู้มีกายและใจอันธรรมะทั้งหลายมีปัสสติเป็นต้นเหล่านี้อนุเคราะห์แล้วในสมัยนั้นก็เสวยความยินดีที่เรียกว่ามิใช่ของมีอยู่ในมนุษย์ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสระบุถึงไว้ว่าความยินดีมิใช่ของมีอยู่ในมนุษย์ก็มีแก่พระภิกษุผู้เข้าสู่อาคารเงียบสงดผู้มีจิตสงบ เห็นแจ้งธรรมะอยู่โดยชอบพระภิกษุกำหนดรู้ความเกิดและความดับของขันธ์ทั้งหลายด้วยอุทยะพยายาณนโดยรูปรธรรมหรือโดยอรูปรธรรมใดๆได้ปีติและปราโมทปีติและปราโมทของพระภิกษุผู้รู้แจ้งความเกิดและความดับนั้นเป็นอมตะปัสสติอันประกอบด้วยธรรมะ มีลหุตาคือความเบาเป็นต้นซึ่งทำให้สำเร็จความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์นี้เกิดขึ้นอยู่แก่โยคี น, นั้นด้วยประการดังกล่าวนี้วิปัสสนุ ป, ปกิเลสข้อที่ห้าสุขคำว่าสุขหมายถึงความสุขประกอบด้วยวิปัสนา ทราบว่าในสมัยนั้นความสุขอันประนีตยิ่งขึ้นเกิดท่วมท้นไปในสรีระกายทั้งสิน้นวิปัสสนู ป, ปกิเลสข้อที่หอธิโมกคำว่าอธิโมกหมายถึงศรัทธาเพราะว่าศรัทธาที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนานั่นแหลเป็นความผ่องใสยอย่างยิ่งของจิตและเจตสิก เป็นศรัทธามีกำลังก็เกิดขึ้นแก่โยคีนั้นวิปัสสนูปกิเล ข, ข้อที่เจ็ปัคาหะคาว่าปักคาหะหมายถึงวิริยะคือความเพียรเพราะว่าความเพียรที่สัมปยุต ด, ด้วยวิปัสสนานั่นแหละเป็นความเพียรที่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป ประครับประคองไว้เป็นอย่างดีก็เกิดขึ้นแกโยคีนั้นวิปัสสนูปกิเลสข้อที่แปดอุปัฏฐานะคำว่าอุปัฏฐานะหมายถึงสติเพราะว่าสติที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนานั่นแหละเข้าไปตั้งอยู่อย่างดีมั่นคง ฝังลึกไม่หวั่นไหวประหนึ่งภูเขาหลวงเกิดขึ้นแก่โยคีนั้นโยคีท่านนั้นรำพึงถึงรำลึกถึงทำในใจถึงเจาะจงนึกเห็นซึ่งฐานะใดๆฐานะนั้นๆก็ลิวแล่นเข้าไปตั้งอยู่ด้วยสติแก่โยคีนั้นประหนึ่งปรโลกปรากฏแก่ท่านผู้มีทิพยะจักษุ วิปัสสนูปกิเลสข้อที่เก้าอุเบกขาคําว่าอุเบกขาหมายถึงทั้งวิปัสสนูเปกขาและทั้งอวัชนูเปกขาเพราะว่าในสมัยนั้นทั้งวิปัสสนูเปกขาซึ่งมีความเป็นกลางในสังขารทั้งปวงทั้งอวัชนูเปกขาในมโนทวารก็มีกําลัง เกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นความจริงเมื่อโยคีนั้นรำพึงถึงฐานะนั้นๆอยู่อุเบกขานั้นก็ดำเนินอย่างแก่กล้าแหลมคมประดุดดังวชิระของพระอินที่ส่งสัตว์ออกไปและประดุดดังลูกศรที่เผาร้อนแล้วยิงไปในกองใบไม้วิปัสนูปกิเลศข้อที่สิบ นิการติคำว่านิการติหมายถึงวิปัสสนานิกันติความใครในวิปัสสนาเพราะว่านิการติมีอาการสงบสุขขุมก็เกิดขึ้นแกยโยคีนั้นทำความอาลัยอยู่ในวิปัสสนาอันประดับด้วยอุปปกิเลตมีโอภาสเป็นต้นด้วยประการดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นความใครที่ใครๆไม่สามารถแม้แต่กำหนดรู้ได้ว่าเป็นกิเลสอันหนึ่งเมื่อโอภาษเกิดขึ้นโยคาวจรยึดถืออยู่ฉันใดเมื่ออุปกิเลสทั้งหลายแม้เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ฉันนั้นโยคาวจรคิดว่าในการก่อนแต่นี้ ยานเห็นปานี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามาก่อนเลยปีติปสัสสิสุขอธิโมกปะคาหะอุปทานะอุเบขาดิการติเห็นปานี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามาก่อนเลยข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุมาักแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุผลแล้วแน่นอนแล้วยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่มรักนั่นแหละว่าเป็นมรัก ยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่ผลนั่นแหละว่าเป็นผลเมื่อโยคาวจนนั้นยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่มัคว่าเป็นมัคสิ่งที่ไม่ใช่ผลว่าเป็นผลวิปัสนาวิถีก็ชื่อว่าก้าวออกนอกทางไปแล้วโยคาวจนนั้นก็ละทิ้งกรรมฐานเดิมของตนเสียแล้วนั่งชื่นชมพอใจนิกันติอยู่อย่างเดียวชะนี้แล จำแนกอุปกิเลส1ิบโดยคาหะสามเป็นสามสิบอันหนึ่งในอุปกิเลส1ิบนี้ธรรมะทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นท่านเรียกว่าอุปกิเลสเพราะเป็นวัตถุคือที่ตั้งของอุปกิเลสมีใช่เพราะเป็นอกุศลส่วนนิกัรติเป็นทั้งอุปกิเลสเป็นทั้งวัตถุของอุปกิเลสด้วย และอุปกิเลสเหล่านี้มีสิบโดยทางวัตถุดังกล่าวแล้วแต่โดยทางคาหะคือความยึดถือมีสามสิบท้วนมีสามสิบท่วนโดยทางคาหะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อโยคาวะจรยึดถืออยู่ว่าโอภาษเกิดขึ้นแก่เราแล้วดังนี้เป็นทิฏฐิคาหะคือยึดถือด้วยทิฏฐิหนึ่ง เมื่อยึดถืออยู่ว่าโอภาสน่าพึงพอใจจริงเนอเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นมานะค า, าหะยึดถือด้วยมานะหนึ่งเมื่อโยคาวจรชื่นชมโอภาสอยู่เป็นตันหาคาหะยึดถือด้วยตันหาหนึ่งในโอภาสมีคาหะสามโดยทางทิศิหนึ่งมานะหนึ่ง และตันหาหนึ่งด้วยประการชนี้แม้ในอุปกิเลสทั้งหลายที่เหลือก็มีอย่างละสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีอุปกิเลสรวมสามสิบท้วนโดยทางคาหาด้วยอาการดังกล่าวนี้โยคาวจรผู้ไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมก็วันไหวฟุงซ่านอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลาย มีโอภาษเป็นต้นด้วยอำนาจของคาหะเหล่านั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆซึ่งอุปกิเลทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่านี่เป็นของฉันฉันเป็นนี่นี่เป็นอัตตาของฉันดังนี้เพราะฉะนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าโยคาวจอนหวั่นไหวอยู่ในเพราะโอภาษ ในเพราะญาณและในเพราะปีติด้วยในเพราะปะสัสสธิและในเพราะสุขด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเหตุวันไววของจิตและวันไววอยู่ในเพราะอาทิโมกในเพราะปักคาหะและในเพราะอุปทานด้วยทั้งในเพราะอาวชนูเบขาและในเพราะอุเบขานิกันติด้วยกาหนดมักและมีใช่มัก โยคาวจีนผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมถึงพร้อมด้วยความรู้เมื่ออุปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นก็กําหนดรู้ใกล้ครวรเห็นมันด้วยปัญญาดังนี้ว่าโอภาษนี้แหละเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่โอภาษนี้นั้นแหละไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งไวอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายราคาไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยประการชนิดบ้างก็หรือว่าโยคาวจร น, นั้นมีความคิดในขณะนั้นอย่างนี้ว่าถ้าโอพานี้พึงเป็นอัตตาไซการถือโอภพานั้นว่าอัตตาก็ควรแต่โอภพานี้มิใช่อัตตาเลย คือว่าเป็นอัตตาคือหมายถึงการที่ไม่ใช่อัตตนั้นแหลเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นโอภาษนั้นเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจเป็นอนิจจังโดยความหมายว่ามีแล้วหามีไม่เป็นทุกขังโดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับดังนี้ พึงขยายคำทั้งปวงให้พิสดารโดยในยะดังกล่าวไว้แล้วในอารูปสันตกะกรรมฐานเถิดอันหนึ่งในโอภาษันใดแม้ในอุปกิเลธทั้งหลายที่เหลือก็ฉันนั้นโยคาวจรท่านนั้นครั้นใกล้ครวญเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นอยู่เสมอเนืองเนืองซึ่งโอภาษว่านี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ใช่สิ่งนี้นี้ไม่ใช่อัตตาของฉันดังนี้ โดยในยะเดียวกันเห็นอยู่เสมอเนืองๆซึ่งยานจนถึงซึ่งนิกันติว่านี้มิใช่ของฉันฉันมิใช่สิ่งนี้นี้มิใช่อัตตาของฉันดังนี้เมื่อโยคาว จ, จรนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆ อ, อย่างนี้ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในเพราะอุปาิเลทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเพราะฉะนั้น ท่านพระบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าโยคีได้มีฐานาสิบมีอบาัเป็นต้นเหล่านี้อบรมด้วยปัญญาแล้วโยคีนั้นเป็นผู้ฉลาดในธรรมมุททจักและไม่ถึงความฟุ้งซ่านโยคาวจรท่านนั้นเมื่อไม่ถึงความฟุ้งซ่านดังกล่าวนี้ก็ถากทางโรคชัดคืออุปกิเลสครบสามสิบอย่างนั้นได้แล้ว กำหนดรู้มักและมิใช่มักได้เองว่าธรรมะทั้งหลายมีโอภาษเป็นต้นมิใช่มักแต่วิปัสนาญาณที่พ้นแล้วจากอุปกิเลสดําเนินไปตามวิถีของวิปัสนาเป็นมักดังนี้ญาณที่รู้มักและมิใช่มักว่านี้คือมักนี้ม่ใช่มักของโยคีนั้นพึงทราบว่า เป็นมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิด้วยประการชนนี้ก็แลด้วยประการดังกล่าวมาเพียงนี้เป็นอันท่านโยคีนั้นได้กระทำการกาหนดรู้สัจจะสามแล้วทำการกาหนดรู้แล้วอย่างไรคือว่าการกำหนดรู้สัจจะาาาสาม เป็นอัญโยคีนั้นทำก่อนแล้วด้วยยานชั้นโลกียะเท่านั้นอย่างนี้คือการกำหนดรู้ทุกขสัตต์ด้วยการกำหนดรู้นามและรูเป็นอัญโยคีนั้นกระทำมาก่อนแล้วในทิฏฐิวิสุทธิการกำหนดรู้สมุททยาสัตต์ด้วยการกำหนดรู้ปัจจัยเป็นอัญโยคีนั้นกระทำมาแล้วในกังขาวิตรนะวิสุทธิ การกำหนดรู้มัคสั์ด้วยการจำกัดแต่เพียงมัคโดยชอบเป็นอัญโยคีนั้นกระทำแล้วในมัคคามัคยานัศนะวิสุทธินี้ปริเฉษที่ยี่สิบชื่อว่ามัคขามัคยานัศนาวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมัคอัญคาพเจ้า ทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเฉตที่ยี่สิบคำพีวิสุทธิมรักพระพุทธโคสะเทระรสจนา